อำ ง, งานจากทัดท่านอย่างน้าต่างๆท่านไม่เห็นสิ่นเหมือนนั่นเป็นของน้องข็ยิ่งกว่าธรรมที่ท่านมุ่ง ม, มาเพื่อปฏิบัติตยึดธรรมนั่นเป็นสมบัติท่านเพิ่ทุนที่สุดไม่ว่าองค์ใดอันดาสาวกมีทั้งพระราชาหาสัามีทุกท่าง ธรรมดาสาวกของพระพุทธเจ้าเทนาบุดีเศรษีกุลปีขอข่าประชาชนคนธรมนรมดาจนกระทั่งถึงทุกขะเจนใจพระองค์ไม่ทรงลังเกียจทำรังเกียจใครนอกจากมีความเมตตาเต็มพระใครของพระพุทธเจ้าและเต็มใจของสาวกเท่านั้นท่านไม่มีอะไรที่จะทําให้ยิ่งให้ตัว ความดินนั้นไม่ใช่ธรรมนั่นคือกิเลสมันทองตัวขึ้นมาทำให้คนหลงท่านเป็นผู้มุ่งํายการทำท่าต้อปฏิบัติเพื่อเพื่อทราออกมาจากตะคุณที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็คือตะคุณสมหารั萨ไม่ว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นเครื่องสวอของสมหารัร菩์ ต้องละเอียดอ่อนทั้งนั้นนี่เวลาท่านเสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่เราไม่ได้หมายจะพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เองเดียวเท่านั้นหมายถึงสาวกทั้งหลายซึ่งมีจํานวนมากที่เป็นพระมหากษัตริย์เสด็จออกบวชแล้วมีอะไรที่ติดเข้าองค์ไปบ้างพอที่จะแสดงเครื่องหมายของมหากษัตริย์ มันเป็นอิสัยของโลกมาเจอผล๋ยไม่ถึงมีเลยในประวัติของสาวกทั้งหลายเมืเ่อเดชออกมาแล้วปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นเครื่องอาศัยของกษัตริย์ตัดทิ้งหมดมีเหลือตั้งแต่ปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นที่อาศัยของสมณะทั้งหลายปัจจัยของสงนนมณะนี้แล้วจะจะเกิดจะมีจากศรัทธาญาตโยมทั้งหลายที่พวกเขามีใจบุญ ให้ทานตามกำลังศัทธาของเขามากน้อยดีทั่วกันนีจบรรจงนี้ชนิดใดก็แล้วแต่ตามกำลังจัทาความสามารถของเขาที่ทำบำบึงพระท่านพอใจทางนั้นเพราะใจท่านเป็นธรรมแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรมมีความแตกต่างกันในสมัยนั้นกับสมัยนี้จึงเป็นเหมือนคนละโลกเหมือนไม่ใช่ศาสนาเดียวกัน ในส่วนพ่อข้าวประชาชนที่เป็นผู้นักสมุกน้ําบันมาแล้วนั้นเราไม่ต้องผูดพูดถึงท่านผู้จริงมีความละเอียดอ่อนในทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาปัจจัยตลอด อ, อาการที่ยังและยากที่ทรงแสดงออกในรมหาประสาทที่แสดงออกมากบวม น, นั้นเป็นความละเอียดอ่อนมากทุกแง่ทุก ม, ทกมุท่านดัดแปลงใช่ไหมหมอในความทุกยากลําบาก ท่านไม่สนใจแบบพระหรือเปล่าแบบพระเป็นยังไงแบบสมณะเป็นยังไงท่านนำแบบสมณะนั้นมาประพฤติปฏิบัติยึดเป็นหลักใจองฝ่ายคารวะนิสัยไม่เคยมาเกี่ยวข้องเลยนั่นพระแท้ท่านเป็นอย่างไงหนูออกไปอยู่ตามป่าตามเขา จะมีอะไรเป็นที่อาศัยเพราะให้รับความสะดวกสบายอย่างโรคๆเขาเขาต้องตามสภาพอย่างที่เราไปเที่ยวในป่าในเขาเราก็พอทราบแล้วว่าเป็นอย่างไรเขากินเขาทานทช้สอยอย่างไงเขาขอให้ตามมีตาเขวดตามกำลังศรัทธาทั้งเขาอย่างนั้นเราก็พอราบได้แล้วอยู่ใกล้เมืองอยู่ในเมืองอยู่ในปา่า ต่างกันมากเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยเพียงเท่านี้เราก็พอเทียบได้แล้วกับครั้งกุฎกาที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านกรลัเป็นอยู่ในป่าในเขาปกติท่านเป็นอรท่านอยู่ในอารัญวาสีอย่างน้อยอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านยี่สิบห้าเซนหนึ่งกิโลห้าร้อยชั่วขาถทนมันก็ยี่สิห้าเซน เที่ยวยิงไเรากำลังนนั่นใเขาในถ้ำในลุ่มผาต่างๆท่านได้รับความสะดวกสบายมาจากไหนแต่จิตใจของท่านเป็นธรรมอย่างแท้จริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่บรรลุธรรมกําลังขนขวายทําอยู่ด้วยความบริส si ุดธ <c oughs> ิ์ใจค่ายต่อธรรมจริงๆด้วยจิตใจเป็นธรรมจริงด้วยอนี้บรรดาสาวูทั้งหลายที่ท่านได้เป็นเจ้านางคาถาเมียของพวกเราท่านกําเนินแบงนั้น เระฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงอย่ามองไทยในโลกนี้ให้ข้ามพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกและธรรมคือแ บ, บ, บ็ดขบามไปเราจะไม่ผิดหทังทุกยากลําบากก็ให้ถือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นแบบเป็นขบับท่านต้งลําบากลาบนมาด้วยกันทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกจํานวนมาก ไม่ใช่ทำมาล่างมือเปิดให้เราคิดว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะเป็นเครื่องเตือนจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะอาศัยท่านผู้มีความเข้มแข็งได้พาเดินผ่านไปแล้วว่าการดำเนินเพื่อข้ามมรระสงสารอันเป็นกองมหันตทุกข์ไม่มีกำหนดกฎเกนตายตัวนี้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินไปด้วยความยากความลาบาก ดังที่พระพุทธเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วท่านต้องผ่านความทุกข์ความทร ม, มานยิ่งเป็นผู้ออกมาจากสกุลีสูงและละเอียดละออด้วยแล้วก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทืนอนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆมากยิ่งกว่าพ่อค้าประชาชนซึ่งเคยสมุกสมันมาแล้วมาบวชอยู่ด้วยกันเพราะคำว่าคนคนนม่งเหมือนกันผู้เคยกินกับ สิ่งใดสถ า, านที่ใดก็ย่อมเป็นไปตามนั้นเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรับความทุกข์ความลำมาแต่ท่านไม่สนใจทำอย่างเป็นอย่างไรจะควรรู้เห็นอัดทำได้ด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงพระโอวาทว่าอย่างไรท่านฤทธนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์พึ่งเป็นพึ่งตายกับ ถ้าโอวาดคำสั่งสอนของบาปุเตช่าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นปัจจัยทยทานที่เกิด อ, อาศัยทั้งหลายถือเป็นเพียงว่ายัางชี้ให้เป็นไปพอได้บำเพ็ญกรมาทําให้เป็นเ ม, ม็ต็หนาถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ตามความมุ่งหมายที่มุ่งมาอย่างย่งนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กังวลกับเรื่องโลกาภิทธิ์ภายนอกยิ่งกว่าอารรัาจทำนี่คือหลัก เจนของใจพวกเราที่จะยึดคือพูดทางสนองกระฉามนี้ปฏิจจารงดําเนินอย่างไรได้พูดให้ฟังแล้วไมายึดสี่ร้อยสี่พันสี่หมื่นหนุแล้วแหละแต่ทางคำสนองกระฉามนี้นั้นให้ยึดหลักการดําเนินของท่านอย่าไปมองถึงผู้อื่นผู้ใดว่าวิเศ ษ, ว, เศษวิโสยิ่งกว่าเพราะพูดใจจาพระสงสาวกนี่แนะการดําเนินก็ไม่มีผู้ใดที่จะดาเนินละเอียดสุขขุม ถูกต้องแม่นดำมอันเป็นไปเพว่ความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียจนถึงกับความพ้นทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย mm. แต่เรายึดอย่างนี้ทุกยอมรับ ว, ว่าทุกทำไมจะไม่ทุกเพราะการฝากฝืนกิเลสการต่อชื่อกิเลสซึ่งเป็นมหาอำนาจครองอยู่บนหัวใจเรานี้มันครองมานานเท่าไหร่เราเองซึ่งเป็นครังของกิเลสเรายังไม่ ทราบเว่ากิเลสนี้เคยกลองหัวใจมานานเท่าไหนี่ตอนสาคัญที่ตรนนี้แล้วมันจะไม่มีอำนาจมากอย่างไรและการต่อสู้ที่จะปลดเครื่องกิเหลสหรือให้มีอำนาจเหนือกิเลสนี้จะไม่เป็นทาไม่ทําเป็นนักต่อสู้เหมือนพระพุทธเจ้าเราสาวกท่านเราจะหาชัยชนะมาจากอะไรความทุกข์ความยากความลําบาก ในเรื่องหน้าที่การงานโลกนี้เป็นโลกสร้างดีสร้างกิง่ีเพราะไม่ใช่คนตานสัตว์ตายสัตว์เขาก็มีงานของเขาขึ้นมาหาอยู่หากินทั้งเสี่ยมอันตรายรอบด้านมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นทั่วโลกดินแดนต้องทุกข์ต้องลำบากด้วยหน้าที่การงานเพื่อความเป็นอยู่ในทางนั้นในเราทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปัจจัยพยาธิเลือเ้อเปลือ มีผู้ใจบุญเต็มประเมืองไทยเราที่จะคอยส น, บนับสนุนผู้ที่เอาจริงเอาจัง ป, ปฏิบัตินัาเคารพกราบว่าบูชาคว้ า, าส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนี่มีอยู่เยอะเพราะนั้นเราจริงไม่เห็นมีความลำบากอะไรกับสตุปัจจัยนี้นอกจากจะเหลือเฟือหรือฟุ่งเฟออือหรือพัวมันก็จะตายทาหาที่งอกงาไม่ได้เท่าไหร แนวหน้าที่ของเราที่จะบงเพ็ญตนให้เป็นเมเป็นหนวดตามอัตตามธรรมดังกระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดําเนินมาและประทานเอาไว้นี่ทำไมเราจะดําเนินไม่ได้ความทุกข์โลกยอมรับกันแล้วว่าทุกข์ด้วยการเน้งานีเราทุกข์ด้วยการงานเพื่อการดําเนินให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นทุกข์ที่บริสุทธิ์ใจเป็นทุกข์ที่ไม่ต้องมีสิ่งใดเข้ามาเครือบแฝงให้ เป็นความทุกข์ความทรมานสืบต่อไปในการข้างหน้าเหมือนงานอื่นซึ่งเสี่ยงต่อผลเสียหายทั้งหลายดังที่โลกเขาทำกันงานนี้เป็นงานที่เป็สุ์จงพากันตั้งอกตั้งใจไรพูดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอาหารยาเป็นผู้อ่อนแอนี่นี่หละคือทางเดินเพื่อความหอด้นการดำเนินอย่างมองที่ไหนมองที่เรดให้มองอยู่ที่หัวใจ ใจนี้ส้างพิเรตอยู่ตลอดเวลาอาวิชชาปัจญาทั้งข่าราฟังออกออวิชชามันเป็นสถานเป็นแหล่งเป็นพลังงานที่จะผลักดันออกมาทางหลังฐานทางวิญญาณทางตาหูสมองกลิ้นกายมันผลักดันออกมาเพื่อจะสื่อต่อกับสิ่งภายนอกแล้วกว้านเอาความทุกข์ความลาบากเข้ามาหาเราเมื่อ เราไม่มีสติรู้รอบกับสิ่งเหล่านี้จะต้องสั่งสมเกลี้ยงอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของแต่ละดวงระดวงจำทั้งที่ว่าเรา เ, เป็นนักปฏิบัติเราจะทราบนี่จะอย่างชัดเจนถึงขั้นที่ควรจะทราบปิดไม่อยู่นี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ได้พูดเวลาล้มลุกครานก็ให้รู้ว่าล้มลุกครานแต่พยายามจะทําตัวให้แข็งให้ทําตัวให้ส น, นิทชานาญไม่ให้ล้มลุกครานนั่นเป็นตั้งแต่ระยะอันเดิมแล้เป็นธรรมดาด้วยกัน พยายามฝึกเข้ามันก็มีความคํานาดมีความเข้มแข็งนีดความคล่องแคล่วแกวก็อาจขึ้นโดยลำํำดับทั้งสติทั้งปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรมาพร้อมๆกันเข้าถู่หัวใจดวงเดียวนี้เพื่อเป็นพลังกําจัดยุเลศอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้อํานาจกของหัวใจนี้ให้โดยลําดับเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกําลังมากเขาเดินหนักและจ้องสมเข้าไปสู่ภายจิตใจนี้แล้ว เราจะทราบการสร้างกิเลสตัณหาว่าการสร้างของทุกของกิเลสประเภทต่างๆมันสร้างที่หัวใจแล้วก็รู้วิธีแก้ไขไปโดยลำหนักลําหมันจะเข้าใจว่ากิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจวัฏจักรแทะแ ค, คือดวงใจนั่นแหละทาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่มีอะไรได้พิจรณาเต็มฤทธิ์กาลังมาแล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่สงสัยว่าสิ่งอื่นใดที่จะพาให้เกิดนอกจากอาวิชาปฏิยสร้างข้าราที่แนบสนิทอยู่กับหัวใยจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นอวิชานี่เท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ไล่เข้าไปมาหลักเห็นเองจุดนี้ตัวสำคัญเนือเชื่ออันสำคัญทาให้ทองเที่ยวบริษัทบริวารก็ออกนยออกทางกาของทรวงลาโหกออกท้ง ทั้งเวทนาสัญญาสังขารหนึญญ่งอย่ญญางมีถึงในเรื่องของกิเลสรัเวลาของกิเลสทั้งนั้นกระดิกตัวเอาเพื่ออะไรมีแต่เรื่องของกิเลสลังลายออกไปเที่ยวกว้านเที่ยวเอาอะไรอะไรผลกองทุกข์เข้ามาสิดตัวของเราความทุกข์คือผลที่เกิดขึ้นจากความคิดตุ่มเหล่านี้อันเนื่องมาจากวิชาผู้ผลักดันออกไปเพราะเป็นนาใหญ่ด้วยเหตุนี้นทึงต้องสอนให้มีความเข้มแข็งทนหนากําหนดลงไปที่นี่ สติปัฏฐานสี่นั่นสั่งสื่นี่ลหลักธรรมแห่งการรับรองเพื่อมรรคผลนิทานหลักธรรมแห่งการรับรองเพื่อปราบยิ่งเละให้รากเรียบคือสติปัฏฐานสี่หรืออริยสัจสี่นี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวแล้วสติปัฏฐานสีคออนาาส่คืออะไรอยู่ที่ไหนอริยสัจสี่คืออะไรอยู่ที่ไหน นี่เราทราบด้วยกันแล้วอย่ามองค่ามันไปเอาให้จริงให้จังนะักปฏิบัติที่จะเป็นสิทธาพจน์จะให้หลุดพ้นออกจากมหันตโทษมหันตทตุกที่จมอยู่ภายในจิตใจนี้เพราะอำนาจของกิเลสเราต้องเอาให้เต็มที่เต็มฐานเอาให้เห็นชนะัรชนะโดยลำหนักลำหนักยิ่งทื่ว่าเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้อ า, านสารจะได้ตามมาพระบาปของพระพุทธเธจ้าให้ทัน และตามรอยเท้าของสาวกทั้งหลายให้ถังด้วยการประพฤติปฏิบัติมือแข็เข้มแข็งไม่อ่อนแอจิตเป็นตัวปรุงตัวคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลามีสติมันก็คิดไม่มีสติมันก็คิดคิดตามธรมธรมชาติของจิตนั้นคิดด้วยอำนาจของอวิชชา มันอวิชชาผลักดันออกมาให้เิดยิงเป็นเรื่องของสมุทยัย 99% ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราไม่ทั้งเกลีจะเป็น 99% ด้วยนี่ตั้งแต่เรื่องของสมุทยัยในขณะเราเผลอมันก้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละกลุม่มงานมั น, มนตูงออกมาเรื่องอะไรเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่เกลียเสียใจดีใจใ อดีตอนาคตมันก็ไม่หนีประจับความรักความทามงความโปวดความเขียดี่คะทั้งนั้นมันไม่มนีจากนี้แล้วมันออกมาจากใจเป็นผู้วาดภาพวาดอยง่นันตลอดเวลาปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงขึ้นมาแล้วจิตก็เทิร์นตามคล้อยตามแล้วเทิง์นตาจิตเราอยู่ได้เฉยวันหนึ่งก็ไม่ต้องมีภาพคือความคิดปรุงของตัวเองมาหลอกมันไม่ได้หรือนั่นอยู่ด้วยความหลออห้อนของจิตทั้งนั้น แต่เรายังไม่ทราบเวลามีเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจาจรณาจิตให้มีความสมงบเย็นพอเป็ขวดเอาท้ายปัญญาหุ้ยเสียขุดค้นลงในสติปัฏฐานสี่สือกาย<ม>กายานึกปรัสนาัท่านพิจารณาเห็นแจ้งในกายในกายนี้มีอะไรบ้างดูด้วยความเจาะจงดูด้วยความมีสติดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยความสนใจจดจ่อจริงๆนั่นเรียกว่าความเพียร ไม่แค่ดูศักดจ้าว่าดูพิจารณาศักดิ์เจาพิจารณาไปรูปคําคำไปแล้วก็เลิดเปิดเปิงนี้ไปตาอีกเสียให้สมมุทัยคือกิเลสมันหลอดไปเสียอย่างนั้นไม่จับว่าเป็นความเพียรไม่จับว่าเป็นผู้พิจารณาสจุปฉ า, านจี่เพื่อการดื้อถอนกิเลสตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นภายในกลางให้หมดไปได้เราพิจารณาดังคิว ด้วยความมีสตินีทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงรู้กายพระกายของพระองค์แล้วก็สามารถรู้กายของสัตว์โลกได้หมดขอได้ทั้งนั้นชื่เรีย ก, ก ว, ว่าโลกวิทูคําว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกนี้เป็นได้ทั้งคุณสมบัติของสาวกด้วยเป็นได้ทั้งคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นแต่เพียงว่าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นกว้างแฝงสมภูมิพุทธวิสัย คำว่าโลกวิถุนีม้มายถึงรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่กระเทือนอยู่ทั่วโลกธาตุไม่มีสัตว์ตัวใดบุคคลใดที่จะไม่มีสัจธรรมอยู่นี้เป็นแต่เพียงว่าจะครบหรือไม่ครบเท่านั้นสติปัญญาเป็นสิ่งที่ถิตขึ้นมาเพ ง, งจะเพื่อเป็นสัจธรรมประเภทแก้ไขนิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นจากนะมรรคปฏิ ป, ปทา ส่วนทุกข์กับสมุทัยนั้นน่ะมันไม่อยู่ทุกตัวแต่ตัวบุคคลนั่นแหละเพราะอันนี้มันเป็นอัตโนมัติวัตจักรของมันพาเป็นมาอย่างนั้นเพราะอำนาจแหงอวิชชาจึงต้องเลิกพิจารณากายให้เห็นดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปนะครับผิวหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นอย่างไรเพียงหนังอันเดียวกันนี้มันข้างนอกกับข้างในมั น, นต่างกันอยู่แล้วให้เห็นชัดๆตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาให้พิจารณาเห็นตามความจริงนี้อย่าค้าน อย่าแย้งความจริงซึ่งเป็นพระว่าของพระเจ้าท่านอกเป็นของปฏิกูลนะเราดูข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูดโดยขูดดูแล้วจริงเงาที่ใครจะไม่เรียกว่าที่เลยมันเต็มอยู่ไม่ว่าข้างบนข้างล่างสมมติกันไปอย่างนั้นนะว่าข้างบนข้างล่างถือศีรษะถือกันนะันถืออย่างนี้ ที่มันไม่ได้ถือมันมีอยู่กันทั้งบนศีราะคนที่หัวที่ศีรษะที่ใครเป็นไปหมดนะมันถือไหมเราจะประยุก์พิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงของมันในเรื่องของปฏิกูลทั้งที่มันเป็นอยู่และเวลาสะหายไปเป็นยังไงอีกเวลาแตกดับแล้วเป็นไหงยิ่งจะแดงออกมาอย่างเปิดเผยเวลานี้มีเพียงหนังมุ่งมั่น อ, อยู่เท่านั้นพอดูกันได้มนุษย์เรา พอถลบหนังแล้วดูกันได้อย่างไรทั้งหญิงทั้งชายดูกันไม่ได้มีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องทางตามบูิตาฝันผิวหนังบางๆเท่านั้นเองเรายังแทงมทะลุต่ว่าเรามีปัญญาเฉ่ไหนขนาดแหลมผมได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านแทงทะลุสาวกท่านแทงทะลุปัญญาของท่านเป็นอย่างนั้นย่งลงให้สู่ความจริงยาปีนเกีียวกับธรรม สิ่ง<ม>ที่ไม่สวยว่าสวยสิ่งที่ไม่งามว่างามสิ่งที่ไม่ว่าไม่มั่นคงว่ามั่นคงสิ่งที่ไม่ใช่เราเป็ น, ปนอะไรช้งตุกขออาหน้าตาก็ว่าเราเราตลอด <c oughs> มันปีนเกลียวกับธรรมของวิเจียอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ชื่อว่าสู้กิเลสไม่ได้กิเลสถ้าให้ปีนเกีียวก็ปีนปีนไปมันปีนเกลียวอยู่ตลอดเวลาตลอดกิเลสปีนเกีียวกับธรรมต่อสู้กับธรรมเป็นเพราะกิเลสเป็นห้าสิบต่อธรรมอยู่ทั้งหมอ เดินต้องฝืนอยากดูก็ไม่ดูถ้าจะเกิดกิเลสอยากฟังก็ไม่ฟังถ้าจะเกิดกิเลสสัมผัสอณาตตาตาหูจมูกลิ้นกายใจจะคิดจะปรุงจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นจะทําให้เกิดกิเลสแล้วต้องฝืนทั้งน้ำหากข้ามกันอย่างหนัก น, นอกจากนั้นแล้วยังคุยเกี่ยวขุดคน้น ในสิ่งที่มีอยู่นี่ซึ่งถูกวิสัยเพราะมันมีอยู่แล้วที่เหล็ันายในใจใดูตามหลักความจริงของมันค่ะแต่ดูอรุปภาพก่อนดูในร่างกายของหนอนนี่มันมีตรงไหนเท่าเม็ดหินเม็พามีไหมที่ไม่เป็นของปฏิกูลโสโครกนีม่มีไหมมันไม่มีมันเต็มทั้งร่างนี้หมดเน้จะเอาเข็มแทงลงไปมันก็เจอตั้งแต่สิ่งโสกะปกโสโครก เจอตั้งแต่สิ่เป็นอนิจจังทุกข์ของนางตาทั้งหมดแล้วเรายังจะฝืนถือยึดถือมันอยู่หรือทำมุขเจ้าเป็นเครื่องบุกเบิกให้เข้าถึงความจริงพยายามพยายามิจารณานำมาใช้อย่าให้จินตยามทำลายหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ซึงไม่ใช่ของดีจินต์มันสนุกแต่เรามันโทเพราะอยู่ทา่ามกลางของจินล์ต้องพิจารณาให้จริงจังกาย ยานปัชนาสิกิปัฏฐานพิจาณากายนอกก็ตามการในก็ตามทั้งกายนอกกายในก็ตามธรรมากายเยกายานุปัชชียฮาติอัชตาราปิฏฐารากายเยกายชื่อฮาติเห็นว่าเลื่อยอย่าง่เลยมืริยะวะยะธรรมากายเยกายานุปัชชียานีิมุริยะวะยะธรรมากายนิมฮาติพิจารณากายนอกพิจารณากายในพิจารณากายในกาย ได้ทั้งนั้นถูกต้องทั้งนั้นเพราะมันเป็นความจริงด้วยกันเมื่อพิจารณาให้เป็นความจริงตาไม่รู้สึกเราเนีเป็นเซนภาษาอันหนึ่งเป็นเครื่องให้รู้ว่าตามีหน้าที่รู้อย่านันหูมีหน้าหน้าที่ฟังอะไรๆนันเป็นภาษาส่วนหนึ่งสําหรับรับทราบตามหน้าที่ของส่วนทั้งตนแต่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นเป็นตัวจิตเป็นตัวรู้ตัวรู้จริงๆอยู่ที่จิต เราจะเห็นได้ชัดเจนก็ต้องนักภาวนาเท่าไหร่คนอื่นจะวินิจฉายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้านักภาวนาแล้วปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วมันรู้หมด <S <S ว่าอันนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเมื่อจิตถอนตัวไปเสียแล้นั้นอะไรตามีมันก็ไม่เห็นทั้งทั้งทิ่ตามไม่บอดเมื่อจิตถอนตัวไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินกายทุกส่วน ไม่มีเรื่องสัมผัสคือทําไม่รู้สัมผัสทั้งนั้นมีเพียงย่อๆเท่านี้เราก็พอใจเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นใหญ่ที่พาให้รู้อยู่ล่ะก็คือใจแต่ใจของสามมันจนทั่วไปนี่มันทราบมันซ่นานไปหมดทั่วสารพันธ์ร่างกายเพราะฉะนั้นมันถึงแบกเอาหมดแบบเรียกว่าคนแบกเอาเลยแบกคนทั้งที่นั่นความโสก็โสดพระมงกุฎก็อยู่นี้มันก็แบกเอาว่าเป็นเราเป็นของเราตัวใหญ ทอนไม่รู้จิตปัญญาท่านจึงสอนให้พี่เจนาะให้เห็นจะเป็นทางปฏิคูลณกว่าตามจะยเป็นทางอันนี้างความแปรสภาพมันก็แปรตลอดเวลาไม่ว่าหลับว่าตื่นไม่ว่าเวลาไหนไม่มีวันหยุดยั้งของอปลายลักษณ์ที่จะไม่ดำเนินตามธรรมชาติของตนโดยอัตโนมัติเดินอยู่อย่างนั้นขณะที่นั่งอยู่นี้ก็เดินอันนี้างแปรอ ย, อยู่เรื่อย ถูกครั้งบีบบังคับตลอดเวลาอนาัตตาเป็นเราเป็นของเราที่ไหนพระกาศตัง้งตั้งอยู่ภายในตัวด้วยความจริงเราพิจารณาสิ่ง น, นี้ให้ทราบความจริงต้องพิจารณาตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของนมาแล้วใจรู้รู้แล้วความยึดมั่นถือมั่นมันถอนตัวง ม, มันมาเองไม่ต้องไปดึงไปถอนไปลาดมันน่อก<ม>เอาปัญญานเนี่ยเป็นผู้ทดสอบให้ถึงความจริงเพราะหลักธรรมเป็นคือหลักเหตุผล พิจนาเห็นตามความกลิ่นี้แล้วจิตจะถอดถอนเข้ามาเองทั้งรูปทั้งเสียงกลิ่นด้วเครื่องสัมผัสอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังนาตาเป็นอนุภาพอสุพังของวัตถุปู่เหมือนๆกันไปหมดเมือพิจารณาได้อย่างเึงถึงใจแล้วมั่นปล่อยมั่นถอนตัวเข้ามาทันั้นแม้แต่ร่างกายทึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่ทงบัดนี้ <c oughs> เมื่อมันเข้าใจแล้วมันก็ถอนตัวไม่ยึดมัน่นไม่ถือเป็นกรรมสุขเ้วยอุปาทา เป็นเพียงรับผิดทอบกันอยู่เท่านั้นจะถือว่านี้เป็นแนวคิดของเราจิตเป็นจิตจิตพอกับตัวเองแล้วไม่จําเป็นจะต้องยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องพึ่งพินิงอาศัยเวทนาก็เป็นเวทนาจิตเป็นจิตชุกทุกเฉยเป็นเวทนาอนิยจังขุขขาอนัตตาเหมือนกันเวทนานอริยเวทนาอนัตตาตั้งอยู่จะเป็นทุกก็อนัตตาเป็นทุกขอนัตตาเฉยเฉยก็อนัตตาอนิยจังเหมือนกัน ยึดอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดระดับตามระ บ, บธรรมชาติของเขาทั้งยาทั้งขานยิ่งใหญ่แต่ละอย่างละอย่า ง, างมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นแล้วจิตเป็นปจิตจะไปยึดเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรถ้ามาอยากเป็นนักหมุนเหมือนฟุตบอลถูกกิเลสเตะซิ่งไปที่งมารอบขอบเขตตะวันไม่ทาบเกิดพบไหนขาดไหนกันใด ไ, ไม่รู้ เหมือนคนตาบอดไปไหนมาไหนก็ไม่รู้เพราะไม่เห็นตาไม่เห็นเขาพาไปไหนก็ไปสีชื่เลียงทาไปไหนก็ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าไปที่นั่นที่นี่เป็นยังไงทั้งๆที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสมาในบางภพบางชาติบองเวลอเนื่อแต่ในอัตภาพร่างกายนี้ก็ยังเห็นอยู่ชัดๆว่าไม่ใช่มีความสุขอย่างลื่นเริงตลอดไปมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสก็มีเวลาเจ็บไข้ได้ปวดที่ เ, เกิดความทุกข์ความต มันมาในทางร่างกายจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตามอย่าเข้าใจว่าสิ่งเหลนี้จะทาํากองผิดให้เจ็ดคนเลยร่างกายนี้ต้องเป็นกองไฟทั้งกองนั่นแหละแพร่ต่อไปถ้ายิ่งมีอุปทานเยอะแยะก็ยิ่งหนักเรื่องความกังวลวุ่นวายโรคของจิตยิ่งเป็นโรคที่หนักหนามากถ้าพิจารณาไม่ทันการพิจารณาให้รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้จะเป็นอนิจจังก็ให้ทราบชัดอุทกภาพอุทกังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากปฏิปูล เป็นหลักใหญ่มากควรพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาได้ข้างในพิจารณาหน้ากี่ครั้งกี่หนตลกทบทวนอยู่กับนั่นเลยก็ได้นีพิจารณาตั้งขึ้นมาให้สวยให้ ง, งามข น, นาดไหนตั้งขึ้นมากี เ, เลสมันหลอกเราแล้ ว, ลวเราก็ต้องหลอกกีเลสมือนกันแล้วเขาเขากําหนดพิจารณามันแตกกระจายลงไปหเห็นอย่างประจักษ์ใส่เพราะเป็นความจริงเหมือนกัน เมือมันทับเ็นแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อย อ, ยอุปาทานนี่มันหนักหนักมากภูเขาทั้งลูกนั้นเราจะว่ามันหนักได้ไงใครไปเคยแบกภูเขาออืภ <H it> ูเขาทั้งลูกมาทับหัวใครบ้างไม่เคยมีมาทับหัวใครเขาอยู่เฉ พ, าะ เ, พาะเขาแต่ร่างกายนี่พาราฮาเวปัจักขั้นฐาน อันนี้มันเป็นภาระอันหนักทัานบอกภาระเขาเลยปันจกันจ่าขันทั้งห้านภาระอันภาระอันหนักนะนั่นถ้าไม่ได้บอกภูเขาทั้งลูกมันเป็นภาระอันหนักนาท่านไม่ไหวท่านว่าเป็นกระขันตั้งห้ต้องให้พิจารณาลงตรงนี้ดูข้างนอกดูข้างในําหนดถ้ามันแตกก็จัดกระจายลงไปลิเกมันทําไมมันถือว่าเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นของสวยของงามซึ่งเป็นสิ่งที่ปีนเกลียวกับความจริงอมากมาก พ่จารณาเห็นตามความจริงตามหลักธรรมนี้มันก็ปราศิเลตได้ธรรมเนี้ความว่าสวยว่า ง, งามมันก็หมดไปความว่าเพี่ยงท้าวันมันก็หมดไปนะความว่าเราว่าของเรามันก็หมดไปหมดไปหมดไปความกังวลก็หมดไปอุปทานมันก็หมดไปก็เท่ากับดอกปลดเครื่องฐานะอันหนักออกจากใจใจก็ดีขึ้นโดยธรรมนียมนะมีการพิจารณาพิจารณาอย่างน้น ขอให้กินให้จังมรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันอยู่ภายในจิตยิ่งเหล็กมันเป็นปัจจุบันมันเกิดได้ทุกเวลาความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรอะไรมันเกิดได้อยูทุกเวลาขอให้มีช่องให้มันเกิดมันไม่ตอยไม่มันไม่มีปี่มีขุยอะไรมันเกิดอย่างนั้นไม่มีพิธีรีตออะไรมันเกิดทันได้ก็เป็นช่องให้มันเกิด การปฏิบัติธรรมจริงไม่ควรคิดหาเวลาเวลาหาอีเดียบอกหาการสมายลึกพิธีต่างๆเอาให้จริงให้จริงกำหนดลงไปที่เรศเกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กําหนดพิจนรณามันสําคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไรปัญญาติดตามให้มันรู้ชัดขาจะมาหลายครั้งหลายสมัยมันจะรู้ทัดเองได้มีจิตมีปฏิบัติมาทําอย่างนี้ ผมเราวิจารวิจารหมู่เพื่อนเพราะเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนเราต่างคนก็เป็นไอ้ช่างทุกข์ทั้งนั้ตาและอยู่ในโลกไอ้ช่ังทุกข์ทั้งนั้นตาจะหความแน่นอนได้อย่างไรมีการพับกล้าจากแต่งไม่เป็นไ ม, ไม่เวลาเป็นก่บเวลาตายจนได้นี่แหละเวลาไดนมาอยู่ด้วยกันอีกควรจพยายามให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยในการประอกอบความภาคพื่นก็ขอให้ได้จะให้เสียทีที่เดีนมาอยู่ด้วยกัน อะไรจะเป็นที่ะระ in <ใ S 2> ลึกยิ่งกว่าธรรมนี้ไม่ม<ท>ีในโลกนี้ธรรมเป็นสิ่งสําคัญมากเข้าถึงใจเธอะเมื่อธรรมเข้าถึงใจมา ก, มากน้อยใจที่กำเริบเกิดสารอยู่ด้วยอํานาจแห่งกิเลสทันพาชาวบบีบบังคับเป็นเพลนเป็นไฟจากกลายเป็นน้าดับไฟเป็นประเดรลำดับกันดับยิ่งเราดับได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเหลืออยู่เพีงเพราะขันล้วนๆเท่านั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแฝงตัวขึ้นมา เข้าแทรกแกงจิตได้แล้วนั่นแหละเชื่อเป็นผู้หมดภาระหมดงานที่เคยตะเกียร์ตะการมาตั้งแต่เริ่มแรกประพฤตปฏิบัติรมลุกผู้คาลานมาด้วยความทุกข์ความลำบากลำบนพอมาถึงจุดจบแห่งงานขณะที่กิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าบุติตามครรมาายอย่างงานที่เรา อุตส่าห์บื่บืมาตั้งแต่ต้นมาถึงจุดจบในบัดนี้เพราะที่เด็ดตายหมดแล้วมันมีจิ่นลอยเหนือผ่านในใจายเป็นอิสระเต็มที่ีไม่ต้องหาเรื่องความสุขไม่ต้องยุ่งเรื่องอดีตหรือหนาคตเรื่องพบเรื่องชาตไม่วุ่นไปเลยพอที่ทุกอย่างอยู่ที่จิต เวลานี้จิตมันกำลังหิวโหวยมันดิ้นรนกระวลกังกวานขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาเพราะพิเรศพาให้มันดิน้นพาให้มันหิวยังไม่เห็นโทษเข้ามาเหนือจริงๆนี่นมีแต่เรื่องของพิเรศเท่งนั้นพาให้เป็นเมื่อชำระพิเรศออกหมดแล้วไม่มีไปดิ้นรนกระวนกังกวานจิตจะคิดถึงเรื่องอดีตจิไปยุ่งกับอนาคตยุ่งกับเรื่องเกิดเรื่องตาย เจะไปเกิดในพบใดชาติใดได้รับความสุขความสบายได้รับความลำบากลำบนที่ไหนบ้างไม่คิดให้เสียด้ลำเวลาเพราะจิตรูดด้แจง้งเห็นจริงรอบตัวหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะมาแทรกหรือเพิ่มเติมได้อีกแล้วเป็นความพออย่างสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ของจัตนี่คือคุณค่าหรือผลแห่งการพวทธปฏิบัติ มาด้วยความลำบากย่ำบนมีเวลายุติได้สิ้นสุดได้งานคือการถอดถอนพิเดชขึ้นสุดได้เมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพียงเป็นวิหารธรรมที่อยู่ในในขณะที่อยู่จิตนังครองขันอยู่นี่ก็บาเพ็ญไปพอเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สมาลังระหว่างจิตปับคัน ทำไมจึงว่าเคลื่อนอยู่สบายคือให้ขันรงตัวพระธาตตามอายุไขัยของของมันแต่หากว่าสมุขกำหนันหนึ่งหน้าที่การงานอะไรๆมากๆนี้แพ้ก็จะไปแพ้ที่ขันจิตที่บริสุทธิ์แล้วเอาอะไรไปแพ้<ม>เอาอะไรไปชนะไม่มีคําว่าแพ้ไม่มีคําว่าชนะไม่มีมคำว่ากลัวเป็นกัวตายก็ไม่มีคำว่าตาว่าเกิดก็ไม่มีาา เ, มมเมื่อถึง ธรรมชาตินั้นแล้วไม่มีทั้งนั้นในสิ่งที่กล่าวนี้พระพุทธเจา้าท่านเดินจงกรมทัณฑทรมนังสมาธิสมาบาัตินั่นเป็นวิหารธรรมของพระองค์ในระหว่างขันธิติที่ยังครองตัวอยู่เพื่อให้ถึงอายุขัยเท่านั้นไม่ให้หนักหน้าตายท้าสาวกงมืนกัน องค์ใดที่มีความถนัดจัดเกินนี้เป็นที่รสายหนักแน่ในทางไหนท่านกำลังเป็นท่านไปตามธรรมดาผู้ขับเข้าสมาธิสมบัติดังพระมาหากััสปะเป็นต้นนะท่านเข้าสมาบัติไปถึงเจ็ดวนันท่านถึงออกออกใตนี้โรคสมมาบัตินี่ผู้ที่ได้สมาบัติแปดเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่ได้ซึ่งเป็นประสามเดวยกันท่านก็ไม่จําเป็นต้องเข้าอย่างนั้นท่านพักจิตพักใจธรรมดาธรรมดา ระหว่างขันที่ปฏิบัติต่อกันพอถึงวันเท่านั้นนี่ท่านดำเนินมาอย่าที่จะไปแก่กิเลสตัวใดอีกในการประกอบความเพียรของประธานนั้นไม่มีแต่แก้ตัวไหนตัวไหนมันก็ชิดหายหมดแล้วเหลือแต่ความมือสุดเรืรนันเท่านั้นจะแก้ที่ไหนและคําว่าบริสุทธแล้วนั้นจะมีการสถานที่ระยาเวลาที่ไหนเป็นกําหนดกดเกณฑ์เป็นที่ให้เกิด สัญญาอารมณ์อบท่านนิพพานท่าไหนจะดีหรือนิพพานท่าไหนจะเสียทีหรือตายท่าไหนดีตายท่าไหนไม่ดีท่านไม่มี <c oughs> ตายท่าไหนก็คือพระอรหันต์าตายเราพูดว่าตายแต่ตายด้วยเหตุอุปาติเหตุอะไรก็ตามตายด้วยการเจ็บไข้ได้วยป่วยอะไรก็ตาจะเข้าสมาธิจะหมัดหรือไม่เข้าก็ตามไม่มีสิ่งใดตั้งพันทั้งนั้นไม่มีอันใดที่จะลบล้างความเมื่อสุดนั้นได้เลย ท่านเป็นประธานีย่เต็มตัวทุกการสถานที่ที่พระรุทธเจ้าลงสเสด็จเข้าฌานสมาธิธาบัตรแล้วประงพานไปในธาตสมาธิธาบัตรนั้นนั่นเป็นรวดลายของศาสนาผู้เป็นครูเอกของโลกไม่ทิ้งลวดลายตั้งแต่ขณะตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลก จะด้วยพระอาการใดที่แสดงออกไม่เคยลดละความเป็นศาสดาเลยศาสโลกจะยึดได้ทุกท่าการที่ทรงเคลื่อนไหวเพราะเป็นศาสดาโดยเจ้าบูญทุกทุกอากาศเพราะฉะนั้นวาระสุดท้ายที่พระองค์จะประนิพนพระองค์ต้องแสดงให้เป็นรวดลายของศาสดาเอกในวาระสุดท้ายด้วยเหตุนี้จึงทรงเข้าสมาบัติเข้าบทสมชายุกิจชานติยดชาตตุยชาติ ซึ่งเป็นรูปประทานติแล้วก้าเข้าสู่อากาสาริยุตนาจินยานุญาณ์นั้นญาณตนาอาจิณญาณุตนเเมธัญญาณุนาตัญญาณุตนาแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวททะยุตมิโรจน์จนถ้าสงฆ์ทั้งหลายที่ดุนในขณะนั้นเกิดความสงสัยถามพระอนุทุ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางปราชิาวิชาคือรู้จิตของคนอื่นไม่มีใครเยี่ยมยิ่งกว่าพระอนุท่าเหล่านั้นก็รู้แต่พระอนุท่านนี้เลิศกว่าบรรดาสาวะทั้งหลายในทางรู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งกําลังดําเนินอยู่ในทานนั้นนั้นพระอนุท่าก็ตามได้หมด เมื่อเข้าไปถึงสัญญาเวทายุตานิโรธดับสัญญาระเวทนาไม่มีอะไรอยเวทนาในขันไม่ใช่เวทนาในจิตแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายสงสัยจิตอยู่นั่นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าผู้นี้ผ่านแน่จึงถามพระนุท้าท่านไม่เรนนั่งเข้าสมาธิสมบัติไรแต่ท่านรู้อยู่ตลอดเวลาท่านตามเสด็จพระจิตของพระพุทธเจ้า แต่ในฌานนั่นนัๆ่นอยู่ตลอดเวลาพอถึงขั้นนั้นแล้วเมื่อพระสงฆ์ถามว่านี่พระเมื่อพระถามว่านี่พระพุทธเจ้าปฏิพันนั่นหรืหอบอกว่ายัางง <c oughs> เวลานี้กําลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายุตา น, <c oughs> นิโรธมีเวลาถอยมาก็บอกเวลานี้ถอยออกมาแล้วลงจนมาะทั่งถึงผสงมฌ า, านนั้นลงไปถึงขั้นจิตที่บริสุทธิธ์ธรรมดาก็บอก แล้วเวลานี้ก้าเข้าสู่ปฐมฌานพุทธยฌานตัติฌานก็บอกตัตติฌานก็บอกจนมาทั้งออกจากระหว่างฌานทั้งสองคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่แยกในธรรมการนั้นไม่ติดไม่นิพพานในฌานใดทั้งนั้นเออที่นี้ปริพานแล้วนี่ไม่สามารถที่จะตามนํามาพูดได้อีกแล้ว ถ้าเป็นเครื่องบินก็เหมือนกับขึ้นบนอากาศว่างๆไม่มีก้อนเมฆผ่านมาเลยเราไม่อาจสามารถจะทราบได้ ว, ว่าเครือบินนั้นเร็วขนาดไหนด้วยสายตาของเราเองนอกจากมีเครื่องบอกเครื่องวัดเท่านั้นเหมือนไม่ได้ไปไหนนี่ไม่มีสมมุติเป็นเครื่องาพาดพิงเมือ่อเขา้าเมื่อออกจากสมมุติแล้วเป็นสมมติล้วนๆไม่มีสิ่งพาพถิงเหมือนพระองค์ประทับ เสดเข้าฌานเสด็จเข้าปฐมฌานพุกธีฌานเลื่อยไปจนกระทั่งสัญญาเวทายตัญทูตนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นพระจิตเป็นนิมมุติเมื่อก้าวเสด็จก้าวไปสู่ฌานใดคือจิตที่พระจิตที่บริสุทธิ์พระจิตที่เป็นนิมมุตินั้นก้าวเข้าสู่ฌานใดพระนุทพระบอกได้อย่างชัดเจนนี้ก้าวไปนั้นนั้นนั้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งสมมุติสัญญาเวทัยตัญทูตแล้วถอนออกมา นั่นละกิจที่บริสุทธิ์ก้าวไปไหนผู้ที่รู้วรรจิตผู้ที่มีความเชื่อฌานทางวรรจิตสามารถพูดได้ทุกะยักเวลานี้พระสิริพุทเจ้ากําลังเข้าฌาน น, าานั้นเข้าฌานนั้นเข้าฌานนั้นนั่นนั่นกิจนั้นพอออกจากสมมุติแล้วก็เหมือนระบินที่อยู่กลางอากาศไม่มีอะไรที่พาดผีไม่ทราบมันว่าจะไปไหนผ่านอะไรผ่านที่ไหนบ้างไม่รู้เพราะเพราะมีสมมุติเพราะมีสิ่ง มาเกี่ยวข้องถ้ามีเมฆขันก็รู้มีจิตไม่มีสมมติแล้วเราพิจารณาให้ดีในขันนี้ก็รู้ท่านอยู่งั้นธรรมชาติที่อยู่เวลานี้อาศัยขันเป็นเครื่องมือแสดงออกในจิตที่บริสุทธิ์ดวงหั้งถ้าพอปต่อยขันแล้วก็หมด บรรดาที่เป็นสมมติทั้งมวลไม่ว่าหยาบละเอียดละเอียดแค่ไหนไม่มีในจิตดวงที่บริสุทธินั่นเลยเพิงหาทางที่แสดงแบบสมมุติไม่ได้ที่มาพูดกันแบบสมมุติไม่ได้ดูที่นั่นอยู่ที่นี่ใช่ไหมที่มันก็เป็นสมมติที่นั่นก็ู่เป็นสมมุติที่นี่ก็เป็นสมมตินี่คําที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี้มาจากไหน ถ้ามมาจากที่เจิตดวงที่จิตเล็ดกําลังหุ้มห่ออู่เวลานี้ที่เล็ดมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตนี้แล้วมาผลิพานนึกความบริสุทธิ์ไปที่ไหนถ้ามันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องแก้กันลงที่นี่อย่าไปมองอื่นให้เสียเวลาเวลาคาดคะเนยเดาไปรุ่นไปท้ายไม่ได้เลยเอาคําจยินลงตรงนี้กันให้เป็นที่เข้าใจทําไมจึงได้ยินตั้งแต่ชาวท่าน หลุดพ้นจากทุกข์นะว่าสาสงสารสําเร็จมรรคผลิพานอยู่ที่นั่นที่นี่และสาวโลกองค์นั้นสําเร็จที่นั่นที่นี่เราทําไมมันสําเร็จไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรเราก็คนคนหนึ่งธรรมะวินัยซึ่งเป็นเครื่องตากตามที่เละก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันที่เละก็เป็นประเภทเดียวกันทําไมแล้วเราถึงแก้ไม่ได้มันทําให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานี้เท่านั้นเหมือนกับทำไม่มีปัญหาเป็นสวาารรค์ทำจากไม่ชอบแล้วชอบอยิ่งมาแต่การนไหน ปราบวิเดศดูได้ทั้งไม่มากตุกวิดเดศตระเภแบบื่อใดเรียกหมดเพราะอำนาจของธรรมนี้ผู้ที่จะยกธรรมนี้มาเป็นเครื่องมือกำจัดวิเดศจะยกมาด้วยวิธีใดหรือจะยกมาด้วยความอ่อนแอด้วยความเห็นจะความเกลียดแค้นลำคาญนี่หลอือถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปไม่ได้เครื่องมือจะท่วงหัวอยู่ก็ปล่อยและฆ่าสืกเหยียบย่ำทำลายได้เพราะไม่ยกเครื่องมือขึ้นมาต่อตู้ทำสุขาทำเซเรียน ได้จนคล้องปากเหมือนนกขุนทองก็ตามไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสไม่กลัวถ้าไม่ใช้การพิูจปฏิบัติมีสติปัญญาศรัทธาทำเกียอนเป็นสาคัญเป็นเครื่องปราบกิเลสอันนี้เป็นหลักใหญ่ไม่ว่าครั้งบุตรการไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนๆนหนกิเลสจะกลัวแต่ทำเท่าหนเอาขั้ให้จริงจังลดนักปล่อยหลักกไปเน้นฉันปัญญา